จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ด้วยการมาประพฤติมาบำเพ็ญมาปฏุบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความตระหนักว่าชีวิตของมนุษย์นี้มีค่ามากกว่าอะไรทั้งหลายในโลกนี้เพราะชีวิตของมนุษย์นี้เป็นชีวิตที่สามารถพัฒนาชีวิตจิตใจ ให้สูงขึ้นจนถึงขั้นสูงสุดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในชีวิตคือได้มาพบมากับพระพุทธศาสนาได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดที่จะมีได้สำหรับ สำหรับมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเพราะเมื่อมีทั้งการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มีพระพุทธศาสนาซึ่งเปรียบเหมือนกับแสงสว่าง น, นำทางแล้วการเดินทางเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เลิศที่ประเสรศิฐที่บรรดานักปราทั้งหลาย mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตสาโกทั้งหลายได้ดาเนินไปถึง ย่อมไม่เป็นสิ่งที่ยากเย็นหรือสุดวิสัยแต่อย่างใดต่างกับการที่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ถึงแม้จะได้มาเจอพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นเป็นลิ้ยงเป็นช้างอย่างมากที่จะทําทได้ก็คือได้อุปถัมปทาพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเท่านั้น เป็นการสร้างฐานบารมีแต่ไม่เพียงพอต่อการที่จะดาเนินไปให้ถึงจุดสูงสุดคือมรรคผลนิพพานได้เพราะนอกจากฐานบารมีแล้วยังต้องมีศีลบารมีและมีปัญญาบารมีมีสมาธิบารมีถึงจะสามารถดาเนินไปถึง มักผลนิพพานได้ดังนั้นถ้าได้มาเกิดเป็นเดรัจฉานได้มาอยู่วัดก็ยังไม่สามารถที่จะตักตัวงประโยชน์ไม่สามารถพัฒนาชีวิตของตนให้ถึงที่สูงสุดได้ในทางตรงกันข้ามถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสที่ยากมากที่จะสามารถ พัฒนาชีวิตของตนให้ไปถึงจุดสูงสุดได้เช่นเดียวกันพราขาดแสงสว่างนำทางอยู่ในที่มืดย่อมไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกว่าอยู่ด้านไหนไม่รู้ว่านารกสวรรค์อยู่ด้านไหนไม่รู้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ด้านไหนเมื่อเป็นดังนั้นก็ต้องตะครุบเงาไปคลาไปซึ่ง ถ้าไม่ได้เป็นคนระดับพระโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าของเราแล้วจะไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะคลำทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยมีพระพุทธัมีพระโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าของเรานี้เท่านั้นที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน หลงเหลืออยู่ในโลกไม่มีใครรู้เรื่องมรรคผลนผลิพพานไม่มีใครรู้เรื่องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องคลำหาทางไปเองคลำผิดคลำถูกบ้างแต่ในที่สุดก็ได้บรรลุถึงมรรคผลนผลิพพานสมดังที่มีความปรารถนาไว้เพราะบารมีต่างๆ ที่ได้ส่งบาเพ็ญมานับไม่ถ้วนในแต่ละภพแต่ละชาตินีเองถ้าไม่ได้บาเพ็ญบารมีอย่างแก่กล้าเช่นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะไม่มีทางที่จะสามารถพัฒนาจิตใจของตนให้ไปถึงจุดสูงสุดได้หรือว่าในอกรณีหนึ่ง ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีพระพุทธศาสนาแต่กลับไม่สนใจพระพุทธศาสนากลับเห็นว่าเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องหลอกลวงแล้วก็เลยไม่ได้ให้ความสาคัญต่อพระพุทธศาสนาไม่มีใจใฝ่ศึกษาเร่มเรียนหาความรู้จากพระพุทธศาสนามันก็เป็นเหมือนกับมาเกิดในยุคที่ไม่มีศาสนานั่นแหละ ถึงแม้จะมีอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระศาสนาหรือเหมือนกับมาเกิดเป็นเดรัจฉานอย่างนั้นแหละไม่ต่างกันเพราะว่าจิตใจไม่น้อมเอาพระศาสนาเข้ามาสู่ใจของตนนั่นเองแต่ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้มาเกิดใน ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเช่นประเทศไทยนี้แล้วแล้วมีจิตใฝ่ธรรมมีจิตศรัทธาเรื่มใสที่จะขวนขวายศึกษาร่ำเรียนประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้และจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้พัฒนาชีวิตจิตใจของตนไปสู่จุดสูงสุดได้ ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายได้ได้ถึงพระนิพพานที่เป็นบรณมสุขขังได้อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สูงสุดไม่มีอย่างอื่นที่มีคุณค่าเทียบเท่ากับพระพุทธศาสนาได้ สิ่งอื่นๆในโลกนี้มีคุณค่าเพียงแต่สนับสนุนอัตภาพคือร่างกายให้อยู่ได้เพื่อจะได้นำร่างกายนี้มาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นสิ่งอื่นๆแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยดังนั้นจะไปหลงเสียเวลากับการสแสวงหา สิ่งอื่นๆยกเว้นจากปัจจัยสี่ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเมื่อมีปัจจัยสี่พอเพียงแล้วก็ให้ทุ่มเทเวลาเข้าสู่การปฏิบัติทันเลยอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอื่นไม่เกิดประโยชน์อย่างใดไม่ได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปไม่ได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้น้อยลงไปไม่ได้สร้างความสุข ที่ยังไม่มีอยู่ในใจให้เกิดขึ้นแน่อยู่อยู่ไปตลอดกับจิตใจมีการปฏิบัติการพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสามารถทำได้การมีทรัพย์มีเงินมีทองกองเท่าภูเขาการมีฐานะมียศมีตาแหน่งสูงสูงไม่ได้เป็นการกระทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจเลยคือไม่ได้ดับทุกข์ภายในใจ แต่กลับสร้างความทุกข์ภายในใจให้มีมากยิ่งขึ้นเพราะความยึดติดในในลาบยศดต่างๆนั่นเองไม่ได้สร้างความสุขให้มากขึ้นและไม่ได้ทำความทุกข์ให้น้อยลงไปกลับทำความทุกข์ให้มีมากขึ้นความสุขก็หายไปความสุขที่ควรจะมีอยู่ใน ใ, นใจก็หายไปเพราะความทุกข เข้ามากลบไปนั่นเองดังนั้นหน้าที่ของเราจึงมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนกายและส่วนใจส่วนกายก็ทำนุบำรุงดูแล ร, รักษาด้วยปัจจัยสี่ให้พอเพียงแต่ไม่จำเป็นจะต้องให้เลยเถิดมากจนเกินไปหรือหรูหราหรือฟุ้มเฟือยควรจะถือลักษณะ ของมักน้อยสันโดษเป็นการดำเนินการสแสวงหาจัดปัจจัยสี่คือมากน้อยก็คือหาเท่าที่จำเป็นไม่ต้องการมากกว่านั้นร่างกายต้องการอาหารเท่าไรก็หาให้เท่านั้นพอรับประทานอิ่มแล้วก็หยุดอย่าไปรับประทานต่อเพราะความชอบเพราะความติดรสของอาหาร พอรู้สึกว่าอิ่มแล้วให้หยุดทันทีร่างกายบอกว่าพอแล้วและไม่ต้องทานหลายครั้งก็ได้ทานวันละครั้งเดียวก็พอเพราะท้องก็มีอยู่ขนาดเดียวเหมือนกับรถยนต์ที่มีถังน้ํามันอยู่ใบเดียวจะเติมกี่ครั้งมันก็เติมได้เท่าจํานวนเท่ากันจะเติมสามครั้งมันก็เติมได้เท่านั้นจะเติมครั้งเดียวมันก็เติมได้เท่านั้น ร่างกายก็เหมือนกันท้องมีไว้สำหรับรองรับอาหารเพื่อที่จะมาดูแลร่างกายในแต่ละวันพอรับประทานเต็มท้องอิ่มท้องแล้วพอแล้วไม่ต้องรับประทานอีกร่างกายมีความพอเพียงส่วนความรู้สึกหิวโหยต่างๆนี้ไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากทางร่างกายแต่ออกมาจากกิเลสที่มีอยู่ในใจ กิเลสที่ไม่มีความรู้จักคําว่าพอถึงแม้รับประทานอาหารเสร็จไปใหม่ๆอิ่มไปใหม่ๆก็ยังเกิดความโหยหวนอยากจะรับประทานอีกได้นี่เป็นความจริงและพวกเราก็คงจะรู้กันเพียงแต่พวกเราไม่สามารถแยกออกจากกันได้ว่าอันไหนเป็นความหิวของร่างกายอันไหนเป็นความหิวของกิเลส จจิตใวิธีที่จะแยกก็ไม่ยากเย็นอะไรถ้าเรารับประทานอาหารอิ่มแล้วถ้าเกิดความโหยขึ้นมาก็บอกว่าไม่กินแล้วพอแล้วร่างกายอิ่มแล้วความโหยต่างๆความหิวต่างๆที่ตามมานี้ไม่ไม่ใช่เป็นความหิวโหยของร่างกายเป็นความหิวโหยของจิตใจของกิเลสหรือถ้ามันยังดื้อด้านอยู่ก็ต้องใช้มาตรการ ลงโทษกันคือหยุดรับประทานอาหารสักสามวันดื่มแต่น้ำอย่างเดียวปล่อยให้มันหิวโหยไปแล้วต่อไปมันจะหยุดเองเพราะว่าต่อไปมันจะกลัวเวลาเกิดรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วยังเกิดความหิวโหยอย่างภายในวันนั้นอีกก็มันก็จะรู้ว่าจะถูกลงโทษจะไม่ได้รับประทานอีกสามวัน ต่อไปมันจะไม่กล้าหิวโหวยอีกต่อไปต่อไปรับประทานอาหารเพียงครั้งเดียวมื้อเดียวมันก็จะอยู่ได้เพราะมีผู้ปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นจำนวนมากอยู่แล้วเช่นพระปฏิบัติทั้งหลายท่านปฏิบัติการอย่างนี้มาตลอดท่านฉันมื้อเดียวมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งวันตายท่านไม่ได้ตายเพราะการฉันมื้อเดียวหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการฉันมื้อเดียว แต่ท่านกลับมีอายุยืนยาวนานกับพวกที่กินวันละสามมือ้อสี่มื้อเสียด้วยซ้ำไปพวกที่กินมากๆนั้นกลับจะถูกโรคภัยต่างๆเบียดเบียนโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายทำให้ร่างกายไม่สามารถรับมันได้ก็เลยต้องฟ้องด้วยการเป็นโรคต่างๆเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดัน เป็นโรคไขมันอุดตันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอมัอมาพาตอัมพาตสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการรับประทานอาหารเกินขอบเขตเกินความต้องการของร่างกายนั่นเองนี่คือเรื่องของความต้องการของร่างกายเรื่องของหน้าที่ของเราที่จะต้องทานุบำรุงดูแลร่างกายให้อยู่ยาง มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมาบาเพญ็ญมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดูแลรักษาจิตใจในลำดับต่อไปเบื้องต้นต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเมื่อมีแล้วขั้นต่อไปก็ใช้เวลานี้มาต่อการบาเพญ็ญมาทำบุญให้ทาง มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัตินั่งสมาธิเจริญปัญญานี่คือการดูแลรักษาใจเป็นการสร้างความสุขให้แก่ใจการบำบัดการกำจัดความทุกข์ให้แก่ใจเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดอย่างยิ่งแล้วเพราะร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรง ธรรมะคำสอนของพพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เกลื่อนไปหมดอยู่ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือก็ดีไม่ว่าจะเป็นการฟังจากสื่อต่างๆก็ดีมีอยู่รอบตัวมีอยู่ตลอดเวลาทำไมเราไม่รีบขวนขวายทำไมเราไม่รีบตักตวงกันทำไมปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ มันผ่านไปโดยไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติไม่ไม่ได้ดันบำเพ็ญกันการประพฤติการปฏิบัตินี้เราบำเพ็ญได้ตลอดย4บสียกเว้นเวลาหลับคือการเจริญสตินี่เองเราสามารถเจริญสติได้ทุกเมื่อทุกเวลาทุกสถานที่ตราบใดที่เราไม่หลับตราบใดที่เราเตื่นขึ้นมาเราควรจะถือ การเจริญสตินี้เป็นงานหลักของการปฏิบัติเพราะว่าถ้าเรามีสติแล้วสตินี้จะเป็นธรรมที่จะพาให้เราไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นการมาวัดมาทาบุญให้ทานมารักษาสิมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสติ ถ้าไม่มีสติเช่นเมื่อคืนนี้ออกไปเที่ยวแล้วเพื่อนฝูงก็ชวนให้ดื่มสุรายาเมาดื่มจนเมาหมดสติตอนนี้ก็ยังคงไม่ได้ตื่นคงยังนอนหลับอยู่เพราะว่าสติไม่มีไม่สามารถที่จะปลุกให้ร่างกายนี้ตื่นขึ้นมาได้นี่คือเรื่องของการขาดสติ การเรื่องของสตินี้จะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสติมีความสำคัญในทุกกรณีในทุกเรื่องที่เราทำไม่ว่าเราจะคิดอะไรเราจะพูดอะไรเราจะทำอะไรถ้าเราไม่มีสติแล้วจะทำไปแบบเสียหายจะทำไปเกิดโทษกับเราเช่นคนดื่มสุรายามเมาแล้วไปขับรถอย่างนี้ เป็นตน้นกลับแล้วก็ต้องไปประสบกับอุบัติเหตุทำให้ตอนนักผู้อื่นเอง เ, อเกิดความทุกข์เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายขึ้นมาอาจจะถึงความตายได้เพราะการขาดสติดังนั้นเรื่องของการบำเพ็ญเรื่องของการปฏิบัติจึงต้องเริ่มต้นที่การเจริญสติ สตินี้เป็นกอไก่ขอไข่ของการปฏิบัติเลยข้าเราข้ามขั้นนี้ไปไม่ได้เรียนหนังสือก็ต้องเรียนกอไก่ขอไข่ไปก่อนไม่ใช่ไปเปิดหนังสืออ่านเลยอ่านยังไงก็อ่านไม่ออกอ่านไม่เข้าใจเพราะไม่รู้หลักของการอ่านว่าเขาอ่านอย่างไรนั่นเองต้องเรียนที่กอไก่ขอไข่ก่อนต้องท่องจาให้ชนานาญก่อน ว่ากอไก่ออกเสียงอย่างไรขอไข่ออกเสียงอย่างไรและเวลาที่ผสมกันแล้วออกเสียงอย่างไรมีความหมายอย่างไรเมื่อเราได้เรียนตามขั้นตอนแล้วต่อไปเราก็จะอ่านได้ทันทีเห็นอักษรเห็นตัวอักษรเราไม่ต้องมาสะกดคํากอไก่ขอไข่เราจะเห็นปับ๊บก็จะอ่านได้เกิดความเข้าใจได้ทันที จิตนี้มีความรวดเร็วมากถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมให้อย่างถูกต้องแล้วก็จะสามารถทำอะไรที่มหัศจรรย์ได้อย่างโดยที่เราไม่คาดถึงกันเริ่มต้นที่การฝึกสตินี้ดังนั้นขอให้เราฝึกสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสตินี้ท่านทรงสอนว่าสามารถตั้งสติได้ใน ในอยู่ในสถาน4สถานด้วยกันคือใน4จุดที่เราสามารถเอาสติไปตั้งไว้ได้คือ 1. กายของเราร่างกายของเรา 2. ความรู้สึกของเราเรียกว่าเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์สามจิตของเราคืออารมณ์ต่างๆหรือความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่ภายในจิตของเราและ4 คือธรรมะคือธรรมะที่อยู่ในใจของเรานี่คือเรื่องรือจุดรือสถานที่ที่เราพัฒนาจิตใจพัฒนาสติของเราได้ตั้งสติของเราได้โดยทั่วไปนั้นจะตั้งกันที่กายก่อนเพราะกายนี้เป็นจุดที่เห็นง่ายที่สุดเป็นรูปประทัเรารู้ร่างกายของเราไม่สงสัยว่าร่างกายของเรา อยู่ตรงไหนแต่เรื่องของเวทนาความรู้สึกนี้บางทีเรายังไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนรู้หรือว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกอย่างไรเราก็ไม่รู้กันเพราะเวลาเกิดความรู้สึกแต่ละครั้งนี้เป็นเหมือนกับถูกสะกดจิตพอมีความสุขก็ถูกสะกดจิตให้ตามล่าหาสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เหมือนถูกสะกดจิตให้วิ่งหา ให้วิ่งหนีสิ่งที่ท่าสร้างความทุกข์ขึ้นมาไม่เคยมีสติรู้อยู่กับความรู้สึกเลยว่าความรู้สึกนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนและมันไม่สามารถทำลายใจทำลายจิตของเราได้ถ้าเราเพียงแต่มีสติดูมันไปเฉยๆเท่านี้ปัญหาต่างๆก็จะไม่มีตามมาไม่จำเป็นจะต้องวิ่ง ไล่หาความสุขกันไม่จำเป็นต้องวิ่งหนีความทุกข์กันเพราะมันเป็นเหมือนเงาตามตัวเรามันเกิดจากการกระทาของเราคือความคิดของเรานั่นเองถ้าเราคิดดีความสุขก็จะตามมาถ้าเราคิดไม่ดีความทุกข์ก็จะตามมาแต่เราไม่รู้กันเรามัวแต่ไปมองสิ่งภายนอกกัน เวลาเกิดความทุกข์ก็โทษสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็พยายามที่จะทำลายสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือหนีจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแต่นี้ไปอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นเดี๋ยวก็ไปเจอสิ่งคล้ายๆกันอีกที่จะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกับความสุขก็เช่นเดียวกันที่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือบุคคลนั้นบุคคลนี้สร้างความสุขให้กับเราก็วิ่งเข้าหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไปเอามาครอบครองไว้แต่พอได้มาแล้วความสุขที่มีอยู่ในใจนั้นกลับหายไปเฉยๆอย่างนั้นเพราะความรู้สึกคือความสุขมันมันไม่เที่ยงนั่นเองต่อให้ได้สิ่งที่เรารลกเราชอบมาอยู่กับเรามันก็ไม่สามารถรักษาความสุขที่มันมีอยู่ในใจไว้ได้ตลอดมันเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ มันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติของความรู้สึกมันรู้สึกทุกเดี好好๋ยวก็รู้สึกถูกสุขแล้วเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรมันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นเราอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆภายนอกอย่าไปคิดว่าเขาเป็นเหตุของความสุขหรือความทุกข์ของเราเหตุของความสุขหรือของความทุกข์ของเรานั้นอยู่ที่ความคิดของเราอยู่ที่ความเห็นของเรา ว่าเรามีความเห็นถูกหรือเห็นผิดส่วนใหญ่เราจะมีเห็นมีความเห็นผิดกันเราไปเห็นว่าสิ่งต่างๆภายนอกเป็นเหตุให้เกิดความสุขเกิดความทุกข์กับเรานี่เป็นความเห็นที่ผิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าเกิดจากความคิดของเรานี้เองความคิดปรุงแต่งของเราเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราหยุดคิดได้ความสุขความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปแต่จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งมาแทนที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้โผล่ขึ้นมาท่านันเองเพราะถูกความคิดกลบไว้ความคิดต่างๆนี้มันกลบความสงบของจิตกลบความสุขที่เกิดจากความสงบของจิต เราจึงไม่เคยได้พบกับความสุขที่แท้จริงกันเราไปติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากความคิดของเราคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้หรือไปไปติดอยู่กับความหลงของเราที่ไปเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่อยู่นอกกายนอกใจของเราเป็นเหตุให้ความสุขและให้ความทุกข์กับเราเราเลยไปจัดการเกยวกับเรื่องต่างๆภายนอก ยิ่งจัดการมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปเท่านั้นเพราะสิ่งต่างๆเขาไม่อยู่ในอำนาจของเราที่จะให้เราจัดการได้นั่นเองเราสั่งเขาไม่ได้ว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะอย่าตายนะอย่าจากกันนะนี่เราสั่งไม่ได้ถึงเวลาเขาจะจากเราไปเราห้ามเขาไม่ได้ถึงเวลาเขาจะแก่เขาจะเจ็บไข้ได้ป่วย เราห้ามเขาไม่ได้นี่เกิดมาจากออกมาจากความเห็นผิดความหลงนั่นเองถ้ามีความเห็นถูกแล้วต้องเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในก็ตามภายนอกก็ข้าวของต่างๆบุคคลต่างๆลาบยศสรเสริญสุขต่างๆ ภายในก็คือความรู้สึกต่างๆความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดจากความคิดต่างๆความคิดต่างๆนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางทีก็คิดดีก็มีความสุขบางทีคิดไม่ดีก็มีความทุกข์สิ่งเหล่านี้มันเป็นของเขาอยู่อย่างนี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้ตลอดเวลามีอย่างเดียวที่เราทาได้ก็คือ ทำใจของเราให้สงบปล่อยวางเขาแล้วอยากไปยุ่งกับเขาพอปล่อยวางเขาแล้วเขาก็จะไม่มายุ่งกับใจเขาก็จะไม่มาทําให้ใจของเราว้าวุ่นขุ่นมัวกระสับกระสาย ก, กายังวลกังวานฟุ้งซ่านคิดคิดกับเรื่องต่างๆแบบไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบของเขาโดยปริยายโดยธรรมชาติ ที่เขาไม่สนุดเพราะเขาไปวุ่นวายไปเกี่ยวข้องไปจัดการกับเรื่องต่างๆนั่นเองเขาไม่รู้จัก ว, ว่าสิ่งต่างๆนั้นทั้งภายนอกและภายในไม่สามารถไปจัดการกับเขาได้มีสิ่งเดียวที่เราจัดการได้ก็คือใจของเรานั่นเองการจัดการใจของเราก็คือการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ทั้งภายในและภายนอก ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาจะขึ้นจะลงเขาจะดีจะชั่วเขาจะสุขจะทุกข์ก็อย่าไปสนใจถ้าเราปล่อยแล้วต่อไปเขาจะสงบเองเขาจะไม่เขาจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะไม่ขึ้นไม่ลงเพราะว่าเรานั่นแหละเป็นตัวไปทําให้เขาขึ้นขึ้นลงลงเองพอเราปล่อยวางเขาแล้ว เขาก็จะอยู่ตามปกติของเขาแล้วเขาก็จะไม่มาสร้างความวุ่นวายสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราใจของเราก็จะอยู่อย่างปกติสุดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาบำรุงบำเออเช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอารหาันตสาวกทั้งหลายท่านปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือราบยศเสริญ ส, สุด ท่านปล่อยแล้วท่านไม่ยึดไม่ติดไม่มีความยินดียินร้ายกั บ, าบลากยสสารสึกสุขแล้วภายในท่านก็ไม่ยินดียินร้ายกับเวทนาความรู้สึกท่านไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์ต่างๆท่านไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องของร่างกายว่าจะเป็นอย่างไรปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติดูแลไปเท่าที่จะสามารถดูแลได้แต่ก็รู้ว่าในที่สุด ก็ดูแลไม่ได้ในที่สุดเขาก็ต้องเป็นไปตามสภาพของเขาเพราะปล่อยวางได้หมดแล้วใจก็สงบเย็นสบายถึงแม้จะมีความคิดต่างๆแต่ก็จะไม่คิดไปในทางที่ก่อกวนสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้แก่ใจเพราะคิดแบบปล่อยวางไม่ได้คิดแบบยึดติดไม่ได้คิดคิดเพื่ออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ หรืออยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดแต่ว่าเออจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอดไม่เป็นปัญหาอะไรรับได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะมืดจะแจ้งไม่ว่าจะร้อนจะเย็นไม่ว่าจะฝนตกหรือแดดออกรับได้ไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจถ้าจะคิดก็จะคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้ได้แล้วใจก็จะมีแต่ความสงบ มีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือเรื่องของการมาใช้เวลาของมนุษย์ให้เกิดคุณอย่างสูงสุดอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปทุกวิววกวานาทีนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าทองคํามีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรหนึ่งจินดาถ้าเราปล่อยมันไปเวลาของเราก็จะน้อยลงไปเรื่อย และเราก็ไม่รู้ว่าเวลาของเรามีสั้นหรือมียาวกันเราไม่ย้ว่าอายุของเรานั้นยาวหรือสั้นกันเพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตอาจจะหมดในวันนี้หรือในวันพรุ่ง น, นี้ก็ได้หรืออีกสิบปีอีกย0่สิบปีก็ได้ไม่มีใครรู้ดังนั้นถ้าไม่ประมาทแล้วเราต้องถือว่าอาจจะหมดขึ้นในเวลานี้ก็ได้ ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ผัดวันประกันพรุ่งเราจะรีบขนไถลรีบตับตัวประโยชน์สุขที่จะได้รับจากการปฏิบัติจากการบาเพ็ญตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วการหลุดพ้นก็จะไม่อยู่ห่างไกลจากเอื้อมมือของเราจึงขอฝากเรื่องของการใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์นี้ ให้ท่านได้นำไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพระพุทธประทังพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำนเพนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย